การอยู่กันเป็นจำนวนมากต้องช้าดีไม่ดีกลายเป็นอ่ดอาดหนวยนายไปเพองะงานเกี่ยวข้องกัน แม้จะไม่ใช่งานก่อสร้างก็ตามงานข้อวัดปฏิบัติที่มีประจำวันก็ทำให้ลาช้าผิดนั่นงานนี้ขององค์นั่นบ้างขององค์นี้บ้างทำให้เสียเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วเสียเวลาไปเรื่อยๆ นึกความมีหมู่มีเพื่อนมาก้างความเพียรก็ด้อยลงจึงทำให้ยิตกกังวลอยู่เสมอมีน้อยมันคล่องตัวการมบคุยปฏิบัติการขกการฉันจับนั่นจัดนี้รวดเร็วกว่ากัน ไม่มีภาระมากผู้มาใหม่ก็ให้ดูผู้อยู่ก่อนให้สิ่งที่จะทราบได้ด้วยทางหูทางตาอย่าต้องให้สั่งสอนกันทุกแง่ทุกมุมซ้ำๆสักๆลำบากลำคาญแก่ผู้สอน การสร้างตนให้เป็นพระโดยสมบูรณ์แบบนี้ให้พึงทราบว่าเป็นงานประจำชีวิตจิตใจของตนอย่าเห็นงานอื่นใดว่ามีคุณค่าและสำคัญยิ่งกว่างานสร้างพระให้สมบูรณ์ธรรมพระ คือความประเสริฐสร้างธ ร, รมขึ้นที่ใจเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐอยู่แล้วและจะเกิดได้ที่ใจจากการสร้างการบำเพ็ญทุกวิถีทางอันเป็นทางชอบพอที่จะให้ทมนั้นๆเกิดขึ้นได้แต่ยา สังหารธรรมที่ควรจะเกิดที่กำลังเกิดและที่เกิดขึ้นแล้วให้ชีพหายไปด้วยความประมาทซึ่งผิดทางของศาสดาใจกับสิ่งที่เป็น ถาศึกต่อกันนั้นแนบสนิทไม่มีเวลาลี่คลายตัวเองออ ก, ออกบ้างเลยแนบสนิทติดกันประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันาำหลักธรรมท่านให้ชื่อว่ากิเลสอาสวะเครื่องหมักหมมอยู่ภายในจิต สิ่งที่เข้าหมักหมมจิตนั่นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ศพกรปรกให้พิษให้ภั ย, ยแก่จิตใจทั้งนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะให้เกิดคุณแต่อย่างใดเลยผูบันเพนทำเพื่อให้ทาเกิดและเพื่อขับไล่สิ่งที่เคยหมักหมมจมกันอยู่นั้น ออกไปโดยลําดับจึงต้องเลยตั้งหน้าต่างตามีเจตนามีความบึกบืนมีความอุตสาห์พยายามมีสติมีปัญญาอยู่ตามขั้นภูมิของตนโดยสม่ำเสมอในเอียบุอียา บ, บทต่างๆไม่ลดละความภาคเพียนในธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ นี่แหละคือวิธีชำละซากฟอกหรือถอดถอนในขณะเดียวกันก็คือวิธีบำเพ็ญให้ทําเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเราตัดต้นไม้ดายญ้าซึ่งปกคลุมพื้นที่ให้รบกลุ่มหลังนั้นออกไปโดยลำดับ ก็เป็นการสร้างความเตียนโล่งขึ้นในขณะเดียวกันพื้นที่ที่รบคลุ่มดังก็อพ่อสิ่งมีสิ่งปกคลุมหากถากถางสิ่งปกคลุมหรือหรือถอนสิ่งปกคลุมออกหมดโดยสิ้นเชิมแล้วที่ก็สะอาดขึ้นมาในขณะเดียวกันและในสถานที่นั่นแหละ ใจซึ่งเป็นพื้นอันหนึ่งอันเป็นที่ปกคลุมของเชื้อแห่งวัฏวนลและวิบากทั้งหลายก็ย่อมเป็นเหมือนกับพื้นที่การชมระด้วยความภาคเพียรโดยวิธีการต่างๆยึงเป็นเหมือนกับการถากการถางสิ่งที่รกรุงลังในพื้นที่ให้หมดไปโดยลำดับลำดา จิตใจก็ค่อยเตียนโล่งขึ้นมาเตียนโล่งขึ้นมาจนกระทั่งสะอาดป ร, ราศจากมลทินโดยสิ้นเชิงเป็นใจที่บริสุทธิ์เต็มดวงเพียงพื้นที่ที่สะอาดก็น่าดูน่าชมเหตุใดใจที่สะอาดป ร, ราศจากสิ่งที่สกปรกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นซึ่งกลายเป็นธรรม ทั้งแท่งเป็นคำทาทั้งดวงภายในจิตแล้วทำไมจะไม่ประเสริฐความประเสริฐอยู่ที่ตรงนั้นอย่ามองข้ามใจไปความทุกข์หรือความหม่นหมองความวุ่นวายต่างๆอยู่ที่ใจ เขาไม่ได้สร้างห้อประสาทต้จำนวนเทียนเขาไม่ได้สร้างตึกรามบ้านช่องอยู่เหมือนสัตว์เหมือนบุคคลแต่พระอาศัยจิตเป็นสถานที่บ้านเรือนเป็นที่ขับที่ถ่ายมาเป็นประจําเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรคาดว่ากิเลสหรือความลามก ความสุขความเจริญจะอยู่ที่ไหนความทุกข์ความลำบากจะอยู่ที่ไหนนอกจากอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นเป็นสาคัญการถอดถอนการชำระล้างตงต้องชำระล้างที่ใจซึ่งเป็นตัวปัญหาใหญ่อันกิเลสทั้งหลายได้ผูกมัดหรือได้ ตั้งปัญหาก่อปัญหาขึ้นแล้วเราต้องเป็นผู้แก้ปัญหาเราเองด้วยอัดด้วยทำมองดูจุดนี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าจุดอื่นใดเรือการสร้างพระจะว่ายากกว่ายาก แต่สำคัญที่ศรัทธาความมุ่งมั่นเป็นนี่เป็นหลักใหญ่ถ้าศรัทธาความเชื่อต่อแดนพ้นทุกและความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกมีมากน้อยเพียงไรเรื่องความเพียรความมุสาพยายามหากพอบึกพอบืนพอเป็นพอไปพออดทน จนถึงขั้นว่าทนจนตายสู้จนตายไม่มีคําว่าแพ้หรือไม่มีคําว่าดุจละทอ้อถอยเพราะความมุ่งมั่นเป็นธรรมชาติอันสําคัญความเชื่อกับความมุ่งมั่นเชื่อก็คือเชื่อแดนพ้นทุกข์นั่นแหละความมุ่งมั่นก็เพื่อความพ้นทุกข์ ยอมจะฉุดลากเครื่องสนับส น, นุนคือความภาคเปลี่ยนความอุตสาห์พยายนนี้ให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนหมุนตัวไปได้โดยไม่คำนึงถึงการจะถานที่เวลาเวลาความทุกข์ยากลำบากมากน้อยอันใดเลยเพราะความมุ่งมั่นนั้นมุ่งต่อผลที่พึงหวังโดยถ่ยเดียว ด้วยเหตุนี้สาหรับวัดนี้จึมีความสนใจและหนักแน่นทั้งสอนให้หนักแน่นทั้งสอนให้สนใจทั้งสอนให้บาเพ็ญทางด้านจิตตภาวนามากยิ่งกว่างานอื่นใดทั้งนี้ก็เพื่อ ก, การสร้างจิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเช่นเดียวกัน ให้เป็นจยตที่ประเสริฐเลื่อลือภายในตัวเองโดยไม่ต้องคิดว่าใครจะมานิยมชม ช, มชอบกับเราใครจะว่าเราดีเราไม่ดีขนาดไหนหรือวิเศษวิสโสเพียงไรก็ตามขอให้เราเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อความสมบูรณ์แบบและสมบูรณ์ตามความมุ่งหมายของเรา ที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้เถอในสิ่งภายนอกนั้นไม่มีอันใดเป็นปัญหาหากเป็นธรรมชาติที่พอตัวอยู่กับใจดวงที่สมบูรณ์ตัวเต็มที่แล้วนั้นการตะเกียบตะกายมักจะท้อถอยและมักจะเอางานอื่นเข้ามาแทรก มักจะหาเรื่องแก้ลำคาญในการแก้กิเลสในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นอุบายวิธีการหรือวิธีคนของกิเลสไปเสียผู้ปฏิบัติจริงไม่ถึงไหนกิเลสมันสอดมันแทกอยู่ทุกขณะอยู่ทุกแงก่ทุกมุมรัดตัวจนมองหาตัวไม่เห็น กิเลสมันรัดหัวใจห้มหอ่อจิตใจจนมองหาใจอันแท้จริงไม่เจอเลยแล้วการแสดงออกจะไม่เป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆออกหน้าได้อย่างไรนี่ีประโยชน์เบื้องต้นจึงต้องไม่ทุ่มเทกำลังลงนักก็ยอม รับว่าหนักทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะทุกข์นี้เคยทุกข์อยู่แล้วเนื่องจากทุกข์นี้มีประจําอยู่กับหน้าที่การงานและในธาตุขันดุของตัวเองโดยหลักธรรมชาติของมันอยู่แล้วจึงไม่ควรอิจนาลาใจในทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภากเพีนหากเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยทุกข์ งาน roster, อื่นๆไม่เคยทุกข์สิ่งอื่นๆไม่เคยทําให้ทุกข์งานทําให้ทุกข์เฉพาะการประกอบความภักเปลี่ยนเท่านั้นก็พอที่จะได้คิดว่าการประกอบความภักเปลี่ยนนี้เป็นความทุกข์โดยแท้อย่างอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์งานอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์แต่นี้งานไหนก็งานนั้นมีความทุกข์ความลําบาก ต่ตามแง่หนักเบาแห่งงานนั้นๆเหมือนกันหมดแต่ผลที่ปรากฏให้เป็นที่พึงใจนั้นมีน้อยไม่สมหวังบ้างชวนงานภายในกิจงานบำเพ็ญกิตนี้ยิมีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งมีความอดทน ด้วยความเป็นนักต่อสู้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนกันไปมากอย่างไรยิ่งจะเห็นความแปลกประหลาดภายในาจิตใจคำว่าหมุนกันไปมากอย่างไรคือหมุนในการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข่าศิบยได้แก่กิเลสมีความพุ่งสร้างสายแสของจิตเป็นต้น ในคิดมีกําลังในทางความเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยลดน้อยลงไปความทุกในวันนี้อย่านําไปเป็นอารมณ์ในวันหน้าความทุกขที่ผ่านมาแล้วเพราะการประกอบความภาคเปลี่ยนอย่านํามาเป็นอารมณ์ในขณะที่ภาวนานี้นั่นเป็นเรื่องของกิเลส อีกเช่นเดียวกันที่ไปลากเอาทุกในการประกอบความเพียนมาจิดวางทางเดินให้ก้าวเพื่อความเพียนไม่ออกต้องเอาปัจจุบันนธรรมเอาความมุ่งมั่น <c oughs> เอาความเพื่อรู้จริง <c oughs> เห็นจริงเป็นเข็มทิศทางเดินเอาสติปัญญา จดต่อลงในหน้าที่การงานของตนให้เป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันดูในหลักปัจจุบันนั้นชื่อว่าเป็นงานที่ชอบทำไม่กิเลสมาหลอกได้เป็นความลำบากลำบนวันนี้ก็ลำบากวันซืนนี้ก็ลำบากเดือนนี้ก็ลำบากเดือนที่แล้วก็ลำบากงับแต่วังบวชมามีแต่ความล ำ, าลำบากลำบนเพราะการปฏิบัติธรรม ก็หนึ่งว่าเราเคยยีพ ร, ระศาลาจมลเกียนยหรือวิมานวิมานวิมานชั้นพุทมโลกมาแล้วเห็นอย่างประจับแล้วก็เอามาเทียบเทียงกันกับการประกอบความทุกข์ประการประกอบความเพียรเม้ยเกิดทุกข์อยงนั้นดูที่ไหนก็ทุกข์เหมือนกันไม่เห็นอัมมาม เทียงมาเคียงมาบวกมาลบมาคิดเป็นกังอารมณ์ให้เป็นความกังวลวุ่นวายเขาไม่ได้ภาว น, นาเขาก็ถูกสัติโลกนี้เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเราเองนี่รู้กับเราประจักษใจในธาตุขันธ์ของเราเวลาอยู่ที่ไหนไปที่ใดทำงานประเภทใด นีแต่เรื่องความทุกข์เข้าไปเกี่ยวข้องดู่ทุกขณะทุกซิ้นทุกส่วนของงานทําไมเราจรึงไม่คิดว่างานหลังนั้นเป็นงานลําบากลาบนเป็นความทุกข์ความยากความลําบากเหตุใดจึิงมาคิดงานที่จะแก่ที่จะถอดถอนถึงที่ฝังตรงนี้ภาณาจิตใจให้ ออกหรือให้ดูพ้นออกไปได้นี่ว่าเป็นงานให้ความทุกข์แก่ตนนี่เป็นความคิดที่ผิดถ้าคิดเช่นนั้นเมื่อเห็นนั้นนักปฏิบัติจึงต้องตั้งอยู่ในวงปัจจุบันเพื่อพุ่งไปในทางอนาคตอันจะเดินมุ่งเดืองแก่ตนจึงถูกต้องหยิตมันจะผาดผลโลดเต้นขนาดไหนออก็พ้น อุบายวิธีของเราไปไม่ได้เพราะกิเลสกับธรรมเมื่อนำธรรมมาใช้ต้องปราบกิเลสได้นอกจากให้กิเลสปราบตัวเองเสีย อ, อย่างเดียวทำอะไรก็มีแต่มันหลอกอยู่เรื่อยๆวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปแต่กิเลสไม่ได้ผ่านไป หลอกอยู่ตลอดเวลาในเอียบททั้งสี่ทุกขณะจิตที่คิดที่ปรุงออกมาเีแต่กิเลสเสี่ยมสอนให้คิดให้ปรุงจะาามาบำเพ็นทาอย่างไรเราจะระงับกับความคิดอันเป็นเรื่องของกิเลสฉะนั้นนำความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นมาแทนที่ในจิต ด, ดวงเดียวกันโดยการประกอบความภาคเปลี่ยน เพียงจะเห็นผลคือความสงบเย็นใจและความแยบคลายขึ้นมาโดยลำดับลำดาที่ทำได้เกิดขึ้นภายในใจเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมและเกิดขึ้นได้ที่นี่ไม่เกิดขึ้นที่อื่นสติเป็นของสำคัญเคยพู ด, พดทุกขณะที่เทศ ทุกการที่เทอบรมสั่งสอนมือเกล็ดอันดับต่อไปก็คือปัญญาเพราะเห็นความสำคัญในธรรมทั้งสองประเภทนี้อย่างกระทับใจไม่มีวันหลืชสติไม่มีก็เสียท่านะปัญญาไม่มีก็หาความฉลาดแก้กิเลสไม่ได้ความโง่เป็นเรื่องของกิเลสความเผล่สติเป็นพื้นเพ ข, ของกิเลสอยู่แล้ว ไม่ควรนำมาใช้ในองความเพียรของพระผู้ตั้งใจจะสร้างพระให้เป็นพระสมบูรณ์แบบต้องสร้างด้วยสติสร้างด้วยปัญญาสร้างด้วยศรัทธาความภาคเพียรพระมรูษาพยายามเมื่อเราทําตัวของเราให้มีความแน่นหนา ม, มั่นคงไม่แล้วการแนะนําสั่งสอนคนอื่นเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแยกไม่ออกเราสามารถสั่งสอนได้ทั้งนั้น เมื่อเราก็ได้ทำมาด้วยเป็นสติกาลังความสามารถและได้รู้ได้เห็นผลที่เกิดที่จากการกระทำมานั้นเป็นขั้นเป็นภูมิโดยลำดับจนกระทั่งถึงทะลุปูโปรงไปหมดนัม่มีข้อสงสัยแล้วการสั่งสอนคนอื่นจะเอาความสงสัยมาจากไหนการสอนด้วยความแน่ใจเพราะความรู้ความเห็น และความเป็นมาของตนเป็นสิ่งที่สนิทอาจฐานมากเพราะเป็นความจริงการทำมาก็ทําทอย่างนี้เป็นความจริงไม่ได้หลอกตนเองแล้วจะเอาอะไรไปหลอกโลกการรู้เห็นทําทุกขั้นก ร, รู้เห็นขึ้นที่ใจของตัวเองประจักษ์กับใจอยู่แล้วการส่อง ส, อ น, สอนคนอื่นทําไมจะไม่ จะทำไมจะขัดจะขัดข้องยุ่งเหยิงทําไมจะสะทกสะทานทําไมจะไม่มีเครื่องสอนสิ่งที่ให้สอนก็ปรากฏอยู่ในใจนี่แล้วก <c oughs> ารสอนคนอื่นนั้นมันเป็นผลพลอยได้จากการสอนตนเองได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะพยายาม ฝึกฝนอบรมสั่งสอนทิจรมาณตนเองอันเป็นตัวพยศเต็มอยู่ในหัวใจนั้นให้หายพยศไปโดยลำดับลำดาบกลายเป็นจิตที่ดีที่เรียกว่าคนดีพระดีขึ้นมาตามขั้นตามภูมิแห่งความทาาเพียนและกำลังความรู้ของตนเรียกวนีมีกำลังขึ้นมาโดยลำดับเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่าเจริญสมณธรรมเจริญอย่างนั้นเมื่อได้สั่งสอนตนเต็มภูมิไม่รู้เต็มภูมิแนวการสั่งสอนคนอื่นขอยอมได้รับผู้ที่ฟังก็ยอมได้รับผลประโยชน์ เ, นเต็มจิติตกำลังความสามารถของเขาเพราะผู้สอนไม่สอนแบบสุ่มเดา สอนตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามจริงๆไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่ทำให้ผู้สงสัยไม่ไม่ทำให้ผู้มาอบรมศึกษาเกิดข้อข้องใจสงสัยแต่ประการใดผลก็ย่อมปรากฏขึ้นได้โดยลำดับกลำดาดังนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนสารโลกจึงได้ผลเป็นที่พอใจ นีท่ทมที่ท่านประกาศไปแล้วนั้นนี่จดจำลึกลงในคัมภีร์เบลานอาศัยความไม่รู้ของเราไปจดจำทำเหล่านั้นมาทำเหล่านั้นก็ไม่พ้นที่จะอยู่ในความสงสัยของใจผู้ไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นทำถึงจะเป็นของจริงแต่ใจเป็นของปอมแล้วการสั่งสอนใครก็ตามก็ไม่ทำให้จริงจังได้ไม่ ตนและผู้อื่นเป็นที่แน่ใจได้าทาทุกขั้นใน ป, ะะประสานกับจิตเต็มภูมิด้วยภาพปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นความจริงเต็มภูมิแล้วสอนขั้นใดภูมิใดก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ฟังก็บางอย่างตุ่ใจ ไม่มีความสงสัยเนี่ยหลักใหญ่จึงอยู่ที่เราต้องทำให้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจแนวอย่าให้สงสัยอย่าให้ตาหนิตนได้ทำลงไปจนหาที่ตาหนิตนไม่ได้แล้วนี่ก็ภูมิใจคนเราภูมิใจเป็นลำดับลำดา ย่าชินช้าต่อความเพี่ยนต่อสถานที่ต่อผู้มือเพื่อนให้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอเพราะเราอยู่ในวักในหนามคือกิเลสห้อมล้อมและเสียดแทงเราอยู่ทุกอริยาบทจึงไม่ควรประมาทนอนใจ ทำใจให้ในเบิกกว้างออกไปทิเลนนั่นแหละมันเบิกกว้างออกไปเบิกออกหยิตอำนาจของธรรมถักดันมันออกไปขับไล่มันออกไปใจคือความรู้สึกของใจก็เบิกกว้างเบาไปภายในตัวเองโดยลําดัแในสว่างขาจาร์แก้งขึ้นที่ยอยตรงนี้ มาปราศจากสิ่งที่ทับถมแล้วใจย่อมเป็นอิสระขึ้นโดยลําดับจาดาเจนเป็นอิสระเต็มที่ทีนี้ไม่มีอะไรละขึ้นที่ว่าสมมติแล้วที่ เ, เข้าเข้ามาเหยียบย่ทำทําลายหรือกระทบกระทือนใจที่เป็นอิสระด้วยความเป็นธรรมเต็มดวงแล้ว นั่นแหะทันว่าทำประเสริเกิดขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติเช่นเราเป็นพระนักปฏิบัติเกิดขึ้นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี้เต็มภูมิก็เรียกว่าเราสร้างพระสมบูรณ์แบบเต็มภูมิของพระพระโสดาพระสัจจิทาพระอนาคา พระอาหารหันต์เทมอยู่ในจิตนี้ไม่มีอยู่ที่อื่นยาสำคัญมั่นหมายไปยาตะครุกเงาชื่อนั้นเป็นเงาอย่าคาดออกไปนิเลศมันไม่มีขั้นใดภูมิใดแต่มันสามารถบังคับจิตบีดขัน้นจิต ถ้อยู่ในเนื่อมือของมันได้ตลอดไปตลอดมาถึงปัจจุบันนี้งานสิ่งที่เป็นผิดก็เป็นผิดในงานการปฏิบัติตนเองก็ไม่ต้องไปคำหนึ่งถึงชั้นใดภูมิใดถ้าคำหนึ่งก็ให้ถ้าคำหนึ่งถึงความพ้นทุกข์คือพ้นจากเครื่องกดขี่บังคับทรมานอยู่ภายในใจนี้ เมื่อเต็มที่ภายในใจหาที่เข้ามาสิ่งสมมุติเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วก็รู้อย่างเต็มใจเพะว่าโลกธาตุไม่มีก็พูดได้เพราะไม่มีภายในใจแดนสมมุติในสามโลกธาตุนี้ท่านเรียกว่าแดนสมมติสมมุติอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเรียกว่าสมมุติด้วยกัน ไม่มีในจิตใจใดพ้นแล้วจากแดนสมมุตินี้ทั้งที่ใจก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และรู้รู้อยู่ในถ้ำกลางแห่งสามแดนโลกธาตุที่เป็นสมมุตินี้เฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างขันกับจิตขันก็เป็นสมมุติไม่ว่าจะเป็นรูปประขันเวทนาขันที่มีอยู่ในร่างกาย ชั้นยาขันสังขารขันยินญานขันอันเป็นกระแสของจิตนี่เป็นความสมมุติทั้งหมดแต่ธรรมชาติอันแท้จริงคือจิตที่เบื่สุดแล้วไม่ใช่ความสมมุติทั้งห้านี่หรือไม่ใช่ขันห่านี่เป็นเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนขันห่านี่ไม่มีก็ได้ คือไม่มีที่จะไปเสียดแทงจิตใจให้รับความเดือดร้อนทุกข์ก็ทราบว่ามันทุกข์หิวกระหายก็ทราบในเวลาที่ครองขันอยู่ก็ทราบอยู่ภายในของขันเมื่อหิวอ่อนเพลียก็ทราบอยู่ภายในขันว่ามันลดกําลังของมันลงไปมันต้องการอะไรก็ทราบว่าอาการตั้งหันี้คลองขาน เมื่อหมดทางที่จะสืบต่อกันต่อไปแล้วคันนี่สลายก็นมันก็สายลงไปตามสภาพของมันธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นก็อยู่ตามหลักตามหลักธรรมชาติทั้งตัวนั่นก็มีท่า น, น ปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าสร้างพระได้แบบสมบูรณ์เต็มที่อยู่ไหนก็อยู่เถอะที่นี่ลมภัยที่มันจะเคยเกิดทางหงทางตาทางจงมูกทางลิ้นทางกายและเกิดขึ้นจากทางใจโยวข้องกับรูเสียงปินหนวดกรื่งสัมผัสกว้างแคบขนาดไหนนั้นหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิง ถ้มีราสึบต่อกันนานมีกล่าวถึงผลเหตุก็ดังแต่อธิบายให้ฟังแล้วอย่ายิดหนาและอาใจต่อความเพียรและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเพียรถือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญในหลักของการดำเนินงานจะไม่ ท, อทออ้อถอยอดแอ และจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกในวันหนึ่งโดยไม่สงสัย <c oughs> แสดงเปลี่ยนตัวนี้วันนี้เหนื่อย